ตอนยอังครุปเซในวันนี้นะคะพามาพูดคุยกับเจ้าของเพจฉันไม่ว่างค่ะเพจที่ให้กำลังใจผู้หญิงผู้ชายใครก็ได้ทำไมเธอถึงมีสิทธิ์จะไปให้กำลังใจใครต่อใครน่ะเหรอคะก็เพราะว่าเธอนั้นผ่านโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่3มาแล้วค่ะแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างมีพลังบวกใช้ชีวิตให้กำลังใจคนอื่นและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ คำว่าใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความหมายว่าอย่างไรสำหรับเธอและเธอก้าวพ้นโรคร้ายอันดับหนึ่งที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าปีละแสนคนได้อย่างไรติดตามค่ะก่อนอื่นถามคุณตาเลยว่าชีวิตก่อนที่จะมาตรวจพบโรคมเะเร็งเราใช้ชีวิตยังไงอะ ช่วงนั้นก็เริ่มทําธุรกิจส่วนตัวเริ่มมีเงินประมาณหนึ่งแล้วคือเราเรารู้สึกว่าชีวิตเราเริ่มเริ่มสบายเริ่มเฉีวเราก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่เหมือนค น, นที่ไปทํางานที่มันอยู่ตัวประมาณนึงแล้วอะก็เที่ยวเล่นเต็มที่ออกต่างจังหวัดแล้วคือนอนดึกอาหารก็ไม่เป็นเวลาเอ่อเที่ยวแบบแต่คือทำไปไม่ได้เที่ยวกลางคืนเบอร์นั้นนะแต่คยเคมี เ, เราไปทานไปอะไรกับเพื่อนบา้างเราก็อาหารก็แบบกินตามใจปากอะค่ะอะืมเราไม่ได้มาดูหรอก มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ดีไม่ดีฉันอยากกินออฉันกิน ก, กิน<อ>หมดเรนเนือ้อป็ น, นค น, นอชอบกินปิ้งย่างชอบมากถ้าจะกินทุกวีกินแบบโอ้ยยิ่งเกลี่ยมมันหมูแบบกิอุ่มชอบอะ่ะแล้วพวกจังฟูดทั้งหลายพวกโปรเซสต์ฟู้ดพวกแบบไส้กรอกเราเ็เป็นค น, คนชอบบางจริงไส้กรอกหมูยอกุนเชียงแล้วของทอดอะ โอ้ยตายชอบมากเราก็เป็นเราก็กินแบานั้นกินอย่างนั้นคือเป็นคนใช้ชีวิตแบบนั้นคือเรานึกว่ามันเป็นตัวเราใชใช้ชีวิตแบบเนี้ยเออประมาณนั้นดังนั้นคือผู้หญิงที่อายุสาสิบเอ็ดแล้วชีวิตพูดง่ายๆกำลังรุ่งเรืองอ่ะมีทุกอย่างมีเงินมีบ้านมีรถเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ทํางานนอนนอนดึกตื่นสายแล้วก็ไม่ออกกําลังกายแล้วก็กินทุกอย่างที่อยากจะกินใช่เออแล้ววันที่เราหมอบอกอ่ะคือเฟิร์มแล้วอ่ะว่า คุณเป็นมะเร็งะระยะที่สามใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนคือตอนน่ะตรวจด้วยมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายตรวจอยู่ประมาณสี่เดือนมันไม่ทราบอ๋อคือวนเวียนกับการเข้าโรงพยาบาลเขาไม่ฟันธ ง, งว่าเราเป็นอะไรเขาแค่บอกว่าตอมน้ําเหลืองอักเสบพยายามให้ยาให้อะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสี่เดือนจนเราแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ามันต้องหายแล้วมั้งแผลที่ มันมีก้อนขึ้นตรงไอเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยคือเป็นรอยจะเห็นค่ะใช่คือมันไม่หาย4เดือนเราก็เพ้อินว่ามีพี่ชายเพื่อนเขาเป็นคุณหมอเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแผลมันดูผิดปกติอ่ะไปตรวจละเอียดไหมก็เลยไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บเนี่ยคือหมอเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ารอฟังผล7 7วันในระหว่างนั้นเนี่ยคือเราก็ถามความเป็นไปได้ของเขาว่าเฮ้ยอาการแบบเนี้ยมันเะเป็ลักษณะโรคเนี่มันจะเป็นโรคอะไรได้บ้างเขาก็บอกว่าดูจารอาการ มีวานณโรคตอมน้ำเหลืองกับก็คือแย่เลยคือจะเป็นมะเร็งตอมน้ำเหลืองอ่าแล้วเจวันที่เราต้องรอฟังนั่นแหะอารมณ์เราเป็นยังไงบ้างเรายังมีความคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอเสมอว่าฉันไม่เป็นหรอกมะเร็งอะอะไรเงี้ยแมบจะบ้าเหรอจะง่ายดายอะไรแบบนั้นวานาโรคก็เอาเป็นวานาโรคก็ได้ว่าคือตอนนั้นในหัววานาโรคก็เอาถ้าต้องกินยาแลอดทุกวันเป็นเวลาติดต่อกัน6เดือนปีนึงก็ยังดีกว่าเป็นมะเร็งพวกมาอะไร้ะในหัวก็คิดแต่เอาว่า ช่างมันเป็นอะไรก็เป็นแต่ทางนี้ทางนั้นในหัวเรายัางคิดว่าฉันเป็นวรณโรกวันที่ไปฟังผลก็คือแบบกะว่าเปิดประตูพวกไปคุณหมอต้องยิม้มยามแ ล, อยอยแล้วก็แสดงความยินดีกับเราว่าแบบไม่ได้เป็ น, บบ น, นไมลงนะนแบบแงคุณเป็นแค่วันโรกต้องนร้นเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันไม่เป็นอย่า ง, งานั้นคือมันปิดปกติตั้งแต่นั่งรอแล้วะคะ่ะอมต้องเรียกแล้วอะยกึยกยกัยกยกึยกยกักเดินเข้าเดินออกคุณหมอคุณพยาบาลรอสักคู่นะคะเราก็แบบอะไรทําไมไม่เรียกฉันเข้าไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเขาเรียกเข้าไปเราเปิดประตูเข้าไปคือเรา คือภาพเราคือแบบแทเดไม่เปิดแบบคุณหมอหน้าแบบนั่งนิ่งมากรอเลยอยู่ในห้องใช่พร้อมกับแฟมของเราแล้วก็กลัวไม่หัวเรดกลัวเออไม่รอดแล้วมึงเนี่ยอะไรเงี้ยพอนั่งปุ๊บไปกับใครก่อนตอนนั้นอาตอนนั้นไปกับแฟนค่ะไปกับแฟนยังไม่บอกใครเรื่องนี้ยังไม่บอกใครเออยังไม่บอกใครเลยก็พอไปถึงคุณหมอเขาก็เออเป็นมะเร็งนะอืเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่รู้ระยะอืเพราะว่า มันต้องมี p r o c e s อื่นนะคะไปเจาะครสนหลังไปอะไรเงี้ยเอาค่ว่ okay. ารู้ว่าเป็นชนิดนี้อืจำได้ว่านั่งแล้วก็ค่ะแล้วก็ขยับตัวจากก็อีดเอแล้วก็รู้สึกต้องทํำยังไงเขาหม อ, อคือตอนนั้นอยากดูเราะว่าหมอเล่าให้หนูฟังหนูต้องทํำยังไงต่อเอเออ<า>ก็แค่นั้นเลยเราคุณหมอเขาก็ส่งต่อไปที่คุณหมอโรคเลือดค่ะ เ, เป็นหมอผู้ชายน่ารักเชียวจำได้คํานึ่งก็พูดว่า ของคุณเป็นมะเร็งคิ้วๆมะเร็งต่อมนเหลืองคือคิ้วคิ้วเออคิ้วหรอคะเขาบอกอืมชนิดของคุณอ่ะคิ้วๆมันก็เออคิ้วก็คิ้วค่ะคิ้วก็ช่วยนะหมอพูดว่าคิ้วๆเฮ้ยมันช่วยได้แบบนมันช่วยมันได้ลรว่าแบบถ้าหมอเขาพูดว่ามันน่ารักน่ารักเราก็เฮ้ยไหวเออเราไหวละอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าไม่พูดอะไรเลยใช่้าคุณหมอไม่พูดคุณหมอนิ่งคุณหมอทำหน้าสดหดหอันเนี้ยแย่เลยคุณหมอ ให้คำแนะนำในการรักษาตรวจว่าเราเป็นระยะไหนก็ไปทราบว่าเป็นระยะที่สามก็คือลามลงมาถึงช่องที่ช่องท้องอค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือรู้แค่ว่าต้องรีบทำการรักษาให้เร็วที่สุดก็พยายามจะหาข้อมูลแล้วก็เท่าที่ทำได้คือคอนเน c t ชันต่างๆที่จะทำให้เราก็ได้เข้าตรวจวเข้าทำการรักษาให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็เวิร์กเองทุกอย่างก็จน ได้เข้ารับการรักษาอืมแล้วนี่คือกี่ปีผ่านมาแล้วคะจนถึงวันนี้สามปีค่ะ3ปีผ่านมาแล้วระยะเวลาในการรักษาทั้งหมดก็คือเกือบหนึ่งปีเต็มๆนะประมาณ8ปดก้าเดือนะคะทำไมตั้งชื่อเพจว่าฉันไม่ว่างเป็นการแบบด่าตัวเองอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่ต้องบอกว่าเพื่อนเขาเห็นเราว่าตอนนั้นเราป่วยเราเราใช้ชีวิตยังไงคือเขาอยากให้เราแบบเขียนแชร์ประสบการณ์ของเราคือตอนนั้นเลยแล้วเราก็แบบ ไม่มีอารมณ์คือมันไม่มีอารมณ์จะเขียนแล้วจะมาเขียนอะไรแล้วเขียนๆอยู่กู ต, ตายตอนนั้นคือเารสุว่าแบบถ้าจะทาอะไรต่อจากเนี้ยขอหายก่อนอแล้วเดี๋ยวจะมาทาคือมันไม่ยากหรอกคือในระหว่างนั้นเราก็จะมี net ขอด ข, ข้อมูลเราไปบ้างแหละแต่คือเราไม่มีอารมณ์ที่จะ ก, ก, ารกรั่กออกมาแล้วสื่อสารออกไปให้ใครเขารับทราบเลยคือเราไม่มีอารมณ์จริงๆ<อ>มันเหมือนเป็นข้ออ้างให้ตัอว่าไม่ว่าง<อ>ไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบฉันไม่ว่างแล้วระหว่างที่เราทาการรักษาที่เราเพื่อน ก็ต้องมาแบบยุ่ให้ทํานู่นทนํานี่แต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เราเผชิญหน้ากับโรคที่บอกว่ามีเปอร์เซ็นต์การตายสูงอยางนี้<ม>ดีกว่าเรารู้สึกยังไงอ่ะคือการเผชิญหน้าพูดง่ายๆมันเป็นการเผชิญหน้ากับความตายอ่ะต้องบอกว่าเป็นความคิดแรก เ, ออเขาเรียกอะไรเป็นความคิดที่มันตักดจิตตัวเองแล้วบอกแต่ว่าฉันจะต้องไม่ตายด้วยโรคนี้อชีวิตฉันต้องไปอีกไปต่ออีกฉันจะไม่ตายวันโลกนี้มันดูเป็นการปักธงนะสำหรับปอนมันดูแบบว่าปักธงแล้วว่าต้องหายอ่ะคือก็ มาปรับปรุงการคิดตัวเองอะไรอย่างนี้คือโชคดีที่ตัวเองเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ดีด้วยแล้วก็นี่ขนาดก็นั่งคุยอยู่กับสัมผัสได้เลยเป็นคนไร้อื่นคนอารมณ์<อ>ดีอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทำให้แบบมองหลายอย่างให้มันเป็นบางทีบางเรื่องก็กลายเป็นเรื่องตลกไปอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องที่ตัเองไม่มีผมเอออะไรเอออะไรอย่างนี้เราก็มองเป็นเรื่องตลกเอเรื่องการที่มองโลกในแงด่ดีมองนู่นนั่นนี่เป็นเรื่องตลกเรารู้สึกว่าเราได้มาจากไหนอะ่ะตอนว่ามัน คงมันเริ่มมันตั้งแต่ครอบครัวเนี่ยค่ะอืก็คิดว่าน่าจะมีส่วนจากครอบครัวและเพื่อนๆรวมถึงช่วงปริญญาตรีอะค่ะเราเรียนเอกปรัชญาแล้วก็ศาสนาตลอด3าปีครึ่ง4ี่ปีคือเราเรียนเรื่องความคิดระบบความคิดแล้วเรื่องศาสนา ม, มันก็มันก็ช่วยเราได้แล้วมันบอกอะไรเราบ้างอะ่ะยกตัวอย่างได้ไหยกตัวอย่างเหรอในวันที่มันได้ใช้จริงๆอะ คือเราพยายามทําทุกอย่างให้มันง่ายไม่ซับซ้อนนะคะอืสิ่งที่ที่มันตอบเราคือจะคิดให้มันซับซ้อนไปทําไมมีความสุขกับเรื่องเล็กในชีวิตได้เอาเป็นว่าเห็นภาพชัดๆอันนึงก็คือช่วงวีคแรกที่ให้เคมีอะค่ะเราจะรู้สึกแย่คือร่างกายก็แย่ใจก็แย่มันไม่เคยเจออะไรแบบเนี้อืมร่างกายมันไม่ไปอย่างที่อยากให้ไปไม่อยากมันเราอยากให้มันฟุ๊ปฟฟีลฝักมันไม่ได้มันไย่อย่างไรเรามันปวดเมื่อยใช่มันปวดเมื่อยแล้ว ในหัวก็รู้ว่าเป็นโรคมันเลงมันโหทุกอย่างมันแย่ไปหมดมจนมีคุณแม่มาบอกให้ลุกแม่ด่ า, ราสรุปคือช่วงแรกๆที่เรารักษาเรานอน รทิ้งโลกทิ้งทุกอย่างกินข้าวเช้าเสร็จก็ขึ้นนอนนอนไปยาวๆแม่ปลุกทานข้าวเที่ยงคือจริงๆเขาอยากให้ทานบ่อยๆลูกมาทานผลไมลูกมาขยับตัวออกกาลังกายเดินไปสวนกันไม่ฉันป่วยฉันป่วยวะแฉันป่วยแม่มันไม่มีแรงมันไม่อยากลูกมันคือเพื่อนเข้าใจได้ถ้าเวลาเราป่วยเราก็ติดเตียงเหมือนกันขนาดแค่เป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้อแล้วทีนี้ก็คือคุณแม่ก็ด่าค่ะ ด, ด่าเสียเหมือนกันว่าแบบลูกก็เลยแบบทำไมถึงใช้ทําตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่รู้ไปใช้ชีวิตเดินสิไปออกกําลังกายไปนู่นไม่ได้มอลเขาก็บอกเลยคืขอผมมาเป็นชุดแล้วหลังจากวันนั้นหลังจากที่โรนคุณแม่ด่าคือมันก็เหมือนแบบปรับความคิดตัวเองฉันจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองให้ได้ทุกๆกวันอืสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกดีเห็นภาพาชัดๆตัวเองคือ ฉันลุกขึ้นมาอาบน้าด้วยตัวเองแปรงฟันด้วยตัวเองได้ทุกวันตอนอยู่กับฝักบัวเหมือนบอกเองูยังไม่ตายฉันยังไม่ตายยังกระทบร่างอยู่ใช่ฉันยังไม่ตายแกอยู่หน้ากระจกเลยนะเหมือนแบบมีความสุขกับลมที่ตัวเองมีลมหายใจในทุกวันอะเล็กน้อยๆคือเหมือนแบบวันนี้ฉันอ้วกสามรออโอเคคราวพี่จะุกงงห้ารอบคิดถูกมาคือแบบ อ้าวจริงๆฉันไม่มีแผลในปากเลยฉันอ่านมาเขาบอกเขาจะมีแผลในปากกันออทําให้กินอาหารยากไม่มีโชคดีเลยเอต้องหา ค, ความบวกในชีวิตทั้ ค, คือเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอะค่ะเป็นก็คือทําเป็นอย่างนั้นจริพยายามแบบเลือกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นความสุขแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองไปในทุกๆวันเ อ, อเป็นอย่างนั้นจริงๆผมล่วงเคยถามคุณหมอคุณหมอจะร่วงไหมอะมีไหมคะที่เขาไม่ร่วงอะค่ะบอกไม่มีไม่มีแล้วก็แบบ Okay. ล่วงก็ล่วงวันที่14ผมล่วงแบบอุย้ยแล้วเราก็แบบตายทำไงวะเนี่ยคือแบบเพื่อนหาวิกมาให้ใส่ใส่วิกปุ๊บเราก็แบบ ไปร้านทำผมเราสมก็ดีจังเลยอ่ะสะดวกที่ออกเอาวิกไว้แล้วเราก็ออกไปข้างนอกพี่คะวันนี้ขอสะได้พี่วันนี้ม้วนปลายให้หนูนิดนึงนะคะกลับมาเอาคือแบบใกล้เป็นอย่างนันอ่ะคือเปนเอาวิกไปไว้เลยจะเอวไปซื้อสองรอฟารล้เดี๋ยวกลับมาเอาก็แบบถ้าเกิดว่าฉันมีผมจริงๆริที่ฉันไม่ได้ฉันต้องนั่งทําเป็นชั่วโมงนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นทุกอย่างที่ชีวิตดํารงอยู่แต่ละวันเนี่ยทุกอย่างแทนที่เราจะบอกว่า ทำไมฉันถึงป่วยใช่ทำไมฉันถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างที่ผ่านนี่คือเป็นบวกหมดหาข้อ บ, บวกของมันให้เจอให้เจอให้เจอปอนชอบมากคําว่าตอนที่คุณตาบอกว่าเราฉันยังมีชีวิตอยู่ใชแ่แล้วก็เราขอบคุณลมหายใจตรงเนี้นะใ<ช>คือทุกวันนี้ยวันที่เราไม่ได้เผชิญกับความตา ย, ยอย่างปอนเนี่ยปอนก็จะแค่ขอบคุณแบบเอ้ขอบคุณเพื่อนร่วมงานวันนี้รู้สึกดีจังเลยที่แบบว่า เก็บผ้าได้ก่อนฝนตกอะไรเงี้ยแต่การที่เราเผชิญกับความตายมันขอบคุณล่นลงมาถึงแค่ลมหายใจอ่ะเพราะมันเหลือแค่นี้แจะขอบคุณนะเพ้าะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังอยู่อะไรเงี้ยดองนั้นคนที่ไม่ต้องป่วยหรอกไม่ต้องเป็นมะเร็งหรอกก็สามารถจะขอบคุณได้แล้วนี่ก็คือสาเหตุที่คุณตาทําเพจใช่ไหมเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะ ทีนี้เราคุยถึงเรื่องการจัดการอารมณ์คุณตาไปแล้วมาดูการจัดการอารมณ์ของคนรอบข้างบ้างคนที่อยากถามมากคือพ่อแม่ก่อนค่ะเป็นยังไงคือเราเราสัมผัสได้เลยแหละว่าเขาอะเขาแย่ที่แบบอยู่ในดลูกสะตายก่อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกคนเดียวปะลูกคนเดียวค่ะลูกคนเดียวสิ่งที่เราบอกตัวเองคือเราต้องไม่ทําตัวเองใ ห, ให้มันแย่ให้เขาเป็นห่วงเราต้องไม่ทําให้เขารู้สึกเป็นทุกข์กับสิ่งที่เราเป็นเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่า ลูกฉันผ่านไปได้สบายอะไรอย่างนี้นค่ะ <S <S <S ใช่เปนว่าคนที่ป่วยมาดูแลอารมณ์ของคนท<ช>ี <S <S <ช>่ไม่ป่วยเป็นอย่างนี้จริงจริงตอนวันที่รู้ว่าตัวเเป็นมะเร็งอะ่ะมันยังผ่านไปง่ายกว่าการที่วันที่ต้องบอกพ่อกับแม่ว่าเป็นมะเร็งอวันนั้นอะยากมากเลยอ่ะเออมันยากจำได้ว่าจะปรับเสียงตัวเองจะใช้เสียงทนหน่อยจะพูดยังไงให้มันดูแบบมันไม่ได้แย่นะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้หนูสู้ผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจำได้ว่าโทรตอนเดินอยู่ อเวนิวสักอเวนิวหนึ่งอะค่ะเหมือนแบบลงจากรถเราก็แบบเอาวะตอนนี้คือโทรโทรบอกนะโทรบอกว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดโทรบอกก็เอาว่าแบบเดินไปด้วยฟุยไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาว่าเออเนี่ยไปตรวจมาแล้วนะอะไรเงี้ยแบบหมอกว่าเป็นมะเร็งอืแต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าแบบหายได้โรคเนี้ยคนก็หานกันเยอะแยะก็ให้คียโมไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เสียงเขาก็เศร้าๆนิดนึงนะแต่เราก็สัมผัสได้ว่าเขาก็คงไม่อยากให้เราแย่เหมือนกันเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร มรักษายัางไงก็รักษาตามนั้นหมอว่ า, งางไงก็ว่างตลอดระยะเวลาที่ให้การักษาตัวเองแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยไม่รองไห้ให้เขาเห็นเลยเไม่เห็นน้ำตาสักแอะทั้งพ่อและแม่ไม่ไมไมแต่เราเราเคยเห็นน้ำตาเขาแม่เขาก็ไม่น ะ, ะแต่เรารู้เรารู้เลยเพราะว่าตอนที่เรานอนอยู่ที่เตียงหรือเขาก็เป็นคนดูแลเราเราก็สัมผัสได้คือแม่เราจะเป็นคนแข็งๆหน่อยเศร้าก็จะไม่บอกว่าเศร้าก็จะใช้การแบบ พูดแบบห้วนๆเหมือนแบบกบเกินความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้ว่าแบบเออเขาคงเหมือนเขาคงรู้สึกแย่อยู่เหมือนกันที่เห็นเราต้องโดนเจาะโดนจิ้มโดนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ในลักษณะมันเหมือนกับว่าฝั่งคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอารมณ์เราเราก็ดูแลอารมณ์เขาแต่มันก็ไม่มีใครที่จะไปแบบโวกเวกฟุ้มไฟอะไรไม่มีมีแต่โดนด่าอ่ถ้าไม่ดูแลตัวเองค่ะมีแต่แบบลูกคุณแม่ด่าด่าอย่างเดียวเลยจ้ากินกินก็ไปบังคับอะไรเงี้ยซึ่งเราเรามีความรู้สึกว่าคุณแม่ก็ไม่ยอมให้ลูก ยอมกับโลกนี้เหมือนกันนะการที่แม่ด่าเนี่ยเพราะบางคนเนี่ยพอเห็นลูกนอนซมอยู่บนเตียงแล้วก็แบบเอาลูกไม่อยากลูกเล้วเออนั่งลูกอยู่ตรงนี้นะมันก็จะยิ่งดึงกันไปใหญ่ใช่ใช่ขึ้นเออนี่คือนอนซมอยู่แม่จิกขึ้นมาเลยลูกแท้ๆแทบจะปวดตัวแทบจะโดนฟาดเสมอๆเวลาแบบเขา กินน้ําอย่างกินน้ํำน้อยอมันขี้เกียจอ่ะกินแทบจะเอาไปจ่อปากอยู่แล้วเราเป็นความรู้สึกว่าซัพพอร์ตตรงนี้ก็สําคัญมากค่ะนอกเจากเราจะจะเราจะไม่ทรีตตัวเองเหมือนคนป่วยแล้วแม่ก็ไม่ทรีทตเราเหมือนคนป่วยตาแล้วก็เท่าที่ทราบคนป่วยหลายๆคนที่นร้ได้รู้จักเพราะว่ามันจะมีคอมมิวตี้ของคนที่เป็นอ่ะเราก็จะไปแลกเปลี่ยนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ชอบกับการที่ให้คนเดินมาดราม่าใส่อะไรงี้เออ ผมแกว่าทำไมแกส้อมขนาดนี้กูรแล้ว <c oughs> <c oughs> ยิง่งยิ่งแกพูดอย่างงั้นฉันยิ่ขึ้นนะนี่ขนาฉันฟังนะเออแกส้อมผมแกทำไมโอ๊ยแบบร้องร้อ ง, องมั้ยมีไหมร้มองไห้ใส่แเรวก็เดี๋ยว ดู๋นี่<อ>ยังไม่เป็นอะไรเลยจะเย็นเย<อ>็นจะรองให้ทําไมยังไม่ตายอะไรเงี้ย <c oughs> คือเราอยากให้เขาทาเหมือนเราเป็นคนปกติ <c oughs> คือเราเองเราอะก็แย่พออยู่แล้วเวลาเรามองตัวเองในะแต่ละวันรู้สึกเจ็บปวดเรารู้อยู่ตัวเองอยู่แล้วเราหดหู่เราอยู่แล้วทั้งในคนรอบข้างอนะค่ะเราอยากให้เขาไม่ต้อง เอาอารมณ์หดหู่มาใส่เราอีกอ่ะไม่ต้องเลยพยายามเอาพลังบวกมาให้เราดีกว่าใชเพราะเรารู้สึกว่าคนรอบข้างอ่ะอยากจะแสดงว่าเขาแครแล้วเขาไม่รู้เขาจะแสดงยังไงเขาก็อยากจะบอกว่าเขาหดหู่นะพอเขาเดินมาหาเราพร้อมกับร้อมรู้สึกหดหู่เราก็แบบไม่ต้องมีอยู่แล้วฝังอยู่แล้วเขาขอพลังบวกๆหน่อยนะอะนมากาต้องการอนันต์มากกว่าค่ะดังนั้นสิ่งที่เห็นนะก็คือว่า โชคดีที่คนรอบข้างไม่ทิ้งเราเป็นคนป่วยเลยคุณตารู้สึกว่ามันเป็นข้อเลือกนะเราเลือกได้ไหมว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบคนป่วยกับฉันจะใช้ชีวิตแบบคนไม่ป่วยทั้งทที่ฉันก็ป่วยเนี้ยนะเลือกได้ตันเรื่องมาแล้วใช่ไหมเพราะเรามีความรู้สึกว่าพอฟังคุณตานเล่าอ่ะมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เลือกได้ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวมันเองก็เถอะคนไม่คิดว่ามันเลือกได้อ่ะมัรู้สึกว่าเขาก็เขาก็ป่วยปะเขาก็เดินไม่ได้เขาก็ต้องนอนเกลี่ยงปะวะแต่นี่คือแบบ ด่าได้หรอเอ้านี่ด่าให้ลุกได้เหรอคุณป่วยมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเคยยินดีตอนนั้นมันเลือกได้เลยอ่ะค่ะมากน้อยแต่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะแสดงออกไปแบบไหนคือคนรอบข้างอ่ะเขาก็จะรับอารมณ์เราแบบนั้นคือเขารู้อย่างเราแสดงออกไปว่าเฮ้ยเราสบายเราโอเคเราไม่ได้แย่กับตัวโลกเราขนาดนั้นคนรอบข้างเขาก็จะมี reaction อีกแบบหนึ่งคือถ้าเราแบบะจเพื่อนมันก็คงแบบ ไปไปกลับบ้านกลับบ้านไปอะไรเงี้คือคนป่วยอะส่วนใหญ่มันอยู่บ้านคันอยู่แล้วมันออกไปไหนมากไม่ได้หรอกคือมันอยู่ในที่ที่ของที่ของตัวองแคบแคบแค่นั้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาพยายามทำบรรยากาศไอ้ห้องแคบแคบน่ะให้มันสดใสเถอะอยากมาทให้มันดูแย่ไปกว่านี้เลยเพราะว่าพแกไปแต่ฉันแย่ของฉันได้เดยฉันแย่ด้วยตัวเองได้อยู่ในบ้านอะอันนี้เราพูดถึงการที่ไปเยี่ยมคนป่วยก็คือเวลาไปเยี่ยมเนี่ย พกเอารอยยิ้มความสดใสนั่งนี่ไปเป็นกระบุงอันนี้คือเป็นแนะนำแล้วกันสําหรับคนที่มีย่าแล้วก็คนที่รักป่วยอยู่เพราะเรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่านอกเหนือจากคนที่เป็นน่ะจะปักธงว่าะฉันจะไม่ตายด้วยโรคนี้แล้วเนี่ยคนรอบข้างก็เหมือนปักธงเหมือนกันแม่ช่วยปักพ่อช่วยปักช่วยกันเพราะแบบไปในทิศทางเดียวกันเออทุกคนไปในทิศทางเดียวกัน ดีมาก้วถึงมีคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในทิศทางนั้นเราบอกเขาได้บอกได้โอ้ยพี่ไม่ต้องอยู่ที่การแสดงออกของเราด้วยค่ะเออโอเคเราเห็นถึงความบวกแล้วนะทีนี้ชีวิตหลังมะเร็งละ่ะเคยได้ยินว่าการทำาคมีอ่ะมันทรมานมากนี่มีคนรู้จักที่เป็นโรคมะเร็งทำาคมีโปไปครั้งแรกแล้วบอกว่ายอมตายไม่ทาอีกแล้ว เ แ, แล้วตอนแรกก็อยากจะคิดแบบนั้นเหมือนกันแหละได้ผู้หญิงตัวเล็ก <c oughs> ๆอะ่ะ <th inks> ผ่านคีโม16ครั้งใช่สิบห้วัน1เข็มใช่15วัน1ครั้งมันไม่รู้กี่เข็มอะ่ะแบบหลายแบบยามาเป็นหลายถุงเลยผ่านมายังไงความทรมานที่คนเซ็ตเอาไว้ว่าคีโมคือทรมานมากอะ่ะจำ จำเรื่องตลกของตัเองได้อันหนึ่งเหมือนกันนะก็คือมันจะมียาตัวนี้ที่เขาบอกว่าคือเราอ่านเยอะอเป็นคนแบบชอบอ่านยาตัวนี้เจ็บมากเลยนะเวลามันเดินอะ่ะถุงมันจะมาเป็นถุงสีน้ำตาล น, น้ำตาลเหมือนถุงปบบกันแสงเข้าเราก็เข็บถุงนีง 1, 2, ้หนึ่งพ่าใบสองพันไปปะถุงมาแล้วว่าเขาว่าเจ็บตัวนี้ อ, อะไรอย่างเงี้ยถุงไม่ใหญ่หรอกตอนเดินเนี่ยค่ะมันจะเหมือนแบบนึกภาพว่าคนมีเล็บแล้วจิกเนื้อเราตลอดเวลาจิกกิกจิกจิกจิแล้วคือแบบเจ็บซงวะเนี่ยหมอเจ็บซะวะแล้วคือหมอเขาบอกว่า พยาบาลบอกว่าเดินยาช้ากว่านี้ไหมมันอาจจะเจ็บน้อยลงแต่ว่าระยะเวลาในการให้มันจะเพิ่มขึ้นจากแทนที่จะ15นาทีอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งไม่เท่านี้แหะค่ะขอเร็วเร็วๆไวๆจบไวๆเลยหไม่อยากเจอกับมันนานหลังจากนั้นคือความรำคาญที่มันเกิดขึ้นที่เขาว่าเจอหมดค่ะอาเจียนไม่รู้กี่รอบอะก็คือแบบว่างแต่กรู้เลยให้ยาเสร็จฉันต้องะ ทุกครั้งมาทั้ง16ครั้งในอ้ทุกครั้งทุกครั้งเออทุกครั้งเลยมากน้อยแล้วแต่เคลียนะเอาเทียค่ะมันเป็นการแบบขย่อนพลังภายในออกมาใช่ใชแต่คือมันเหมือนแบบมันมีวันเรารู้ว่ามันมีวันหยุดไงอ่าเรากรู้ว่ามันมีสิบครั้งใช่แล้วเราก็รู้ว่าอเจียนแค่วันนี้แหละพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นแล้วในหัวคแค่นั้นว่าแบบเราเราให้เคีโมเออหวันเต็มเต็มมาจบวันนี้ก็จบ เออแล้วใครไปอยู่ข้างคุณแม่ค่ะคุณแม่ตลอดตลอดการรักษาคือแม่ทุกครั้งแม่อยู่ด้วยตลอดนึกสภาพถ้าไม่มีแม่อเราจะแข่งแข็งแรงได้ขนาดนี้ไหมมันก็คงแขงคว้างเหมือนกันนะคือถึงเขาจะไม่ได้นะตอนนั้นคือเขาไม่ได้ช่วยอะไรมากแค่อยู่ข้างข้าค่ะแต่มันก็รู้สึกอุ่นใจทุกๆครั้งเข้าใจคะเราอุ่นใจทุกครั้งเวลาเราหันไปเราเจอแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนรู้สึกว่าเรื่องโลมาอะไรอย่างเงี้ยใจมันสําคัญใช่ไหม แล้ว16ครั้งกับการคีโมมันง่ายขึ้นเรื่อยๆไหมหรือว่ามันยากขึ้นหรือมันเป็นยังไงบ้าง16ครั้งตรงนั้นความมันมันมันมีความรู้สึกชินใจอ่ะมันสบายตรงที่แบบเออมันก็เจอรู้อยู่แล้วว่าเจออะไรบ้างแต่ร่างเราอ่ะมันไม่ไปดังนั้นโมเมนต์ที่ร่างกายไม่แข็งแรงเท่าใจมันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาที่เราปกติอ่ะเราไม่คิดเลยนะว่าใจกับร่างกายความรู้สึกแข็งแรงก็แต่ในวันที่ร่างกายมันป่วยแต่ใจมันยังแข่งอยู่มันเป็นยังไงอ่ะ มันมันก็จะหงุดหงิดนิดนิดว่าทำไมไม่ขยับทำไมไม่เป็นไปแบบตามที่ต้องการพอเวลาวันที่ตรวจเลือดนี่คือพอรู้ว่าเม็ดเลือดขาวมันต่ำอะ่ะเฮ้ยมันหงุดหงิดแต่มันแบบทำไมวะทําทไมอะ่ะคือเราอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตาม r o รเซสได้แต่ทําใจให้สบายแล้วก็เชื่อฟังคุณหมอแต่มันเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่คุณตาเห็นว่าเฮ้ยใจกับกายมันแยกกันจริงๆอะ่ะ ทําอะไรไม่ได้จริงจริงคือเราเราคิดว่าเราไม่เคยแยกนะจริงๆคนทั่วไปเดินอยู่ตามท้องถนนนะตอนคิดว่ามีน้อยคนมากที่จะมาคิดเรื่องว่าใจกับกายนี่จริงจรแล้วมันแยกกันนะมันยากันมันยกกันเพราะว่าอย่างที่คุณตาเล่าเนี่ยคือใจแกร่งมากแต่กายไม่เป็นไปตามนั้นนะสดใสมากแต่คือเลือดอ่ะเลือดแย่่ะเลือดตกอ่ะแล้แบบก็เลยแบบนอยกับตัวเองว่าฉันไปพลาดตรงไหนหรือเปล่าแต่นี่มองในฐานะแบบว่าในฐานะคนที่อินกับเรื่องแบบสปิริตชั่จิตวิญญาณอะไรเงี้ยเรานั่ง คุยกับคุณตารตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นการจเจริญเติบโตทางจิตวิ ญ, ญญาณเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่าบางคนเนะี่ยต้องใช้เวลาแบบปฏิบัติธรรมตั้งนานมากกว่าจะรู้ว่าจิตกับกายมันแยกกันน่ะแต่พอวันนึงที่ป่วยแล้วร่างกายคือไม่เหลือพลังอะไรแล้วแต่ใจเห็นชัดเจนเลยว่าก็ยังสดใสได้ใช่คือนั่นคือสิ่งสิ่งเดียวที่ที่ทําได้ตอนนั้นเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนช่างๆเพื่อคุณแม่ด้วยตั้งแต่หายอะค่ะ เหมือนกับวงจรชีวิตเรามันมันก็ต้องปรับใหม่หมดเพราะเรารู้แล้วว่ามันแย่จังช่วงนั้นนะเราไม่อยากกลับไปอยู่ในสภาพแบบนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็นอนดึกน้อยลงเราก็พยายามจะทานอาหารให้ครบทุกมื อ, อมปิ้งย่างหมักดองเนี่ยบายแต่ว่าไ อ, ไอปิ้งย่างเนี่ยยังมีบ้างแต่แบบน้อยลงเยอะมาก ไม่จริงแท้ที้จะกินเป็นหลักก็กินเป็นของขวัญนานๆที่คือเรามันคืออาหารใจค่ะนานมากคะเมื่อกี้นางเล่าเลย่องอาหารใจใช่มันคืออาหารใจคือมันทําให้เราแจ่มใสมันทำให้เรามีความสุขแล้ร่างกายเราก็จะหลั่งแต่สารความสุขออกมาอะไรเงี้ยคือมันมีบ้างค่แต่น้อยลงแล้วก็อาหารที่มันเป็นฟีสโพเซตฟู้ดทั้งหลายฟรีสก็เป็นหรอฟรีสก็ไม่ดีไม่ดีค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ดีคือเราก็หลีกเลี่ยง ถ่านให้น้อยๆหน่อยถ้าเป็นไม่ได้คือเราเลือกได้ของกินมียเยอะแยะ เ, ออเอนะเอเอมันก็มีของกินให้กินังเยอะนั้งแยะอะไรเงี้ยเราก็เราก็หลีกเียงเพราะเรารู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไง <laughs> เ, เราก็อไม่อยากจะกลับไปเจอมันอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ เรื่องผู้หญิงมันก็มีเรื่องเคมเคมีอะผอมทําเล็บทักก่อนจ้าในช่วงที่หมอเขายังไม่ฟันธงว่าเราหายขาดช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอยู่3 3ปีอันนี้เรื่องภายนอกนะว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันเฮลตี้มากขึ้นแล้วภายในละมุมมองกับชีวิตของเราเปลี่ยนไปไหมก็ใช้ชีวิตทุกวันให้มีคุณภาพอใช้ชีวิตมีคุณภาพเป็นยังไงก็มันมันเหมือนกับอะไรที่เราอยากทํา เราก็พยายามจะรีบทําจัดการมันไปซะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีวันพรุ่งนี้หไมหม อ, อย่าง ก, กับคนลอบข้างเรื่องโกรธขุนเคืองอะไรคือตาจะน้อยมากจริงๆทํามพูอย่า ง, ง, งแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตนจะยังมีชีวิตแบบนี้อีกไหมเราไม่รู้เลยอะไรจะเกิดกับเราเพราะตอนนั้นปุ๊บปั๊บเราเป็นนะ่ะคื อ, อเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอวกาศคือทุกๆ ทุกๆเวลาเราจะใช้ชีวิตแบบพยายามจะให้มันมีคุณภาพที่สุด อ, อยากไปเที่ยวตรงนี้ใช่ไหมไปสิร อ, ออะไรอะ่ะคืออยา ก, ยากทําอะไรทําเลยเนี่ยหนึ่งที่ที่ครั้งหนึ่งตอนสูงมันชัดมากคือเพื่อนคนนึงเราไม่ได้เจอหลายปีมากแล้วมันอยู่ไม่ไกลเราเลยอะ่ะพอเราหายเนี่ยคิดถึงเขาขึ้นมาแล้วก็อยากไปเจอไปสิรออนัดก็ไม่ต้องเจอสิขับไปหาที่บ้านเลยถ้าเราไม่เคยเผชิญกับความตายอย่างโรคมะเร็งเนี่ยคนคนหนึ่งอาจจะยากนะที่จะคิดได้แบบนี้ถ้าถามว่าบทเรียนที่ใหญ่ที่สุดจากการผ่านโรคมะเร็งมาคืออะไร เรื่องของตัวเราเองเนี่แหละืมการใช้ชีวิตของเราเองทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราเองอทุกๆเรื่องชอบมากเรื่องนี้เรื่องที่บอกว่าทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราเองเพราะบางคนนะ่ะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเบลนทถ้าวันนั้นเขาไม่ทําอย่างนี้นก็ไม่เป็นอย่างนี้ถ้าวันนั้นแต่เขาบอกว่าชีวิตจะเริ่มต้นจริงๆเมื่อ คนเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดเพราะเราเองเกิดเพราะเราเองแล้วคําว่าเวลาเปลี่ยนไปไหมคอนเซ็ปต์ของคําว่าเวลาเปลี่ยนเลยอย่างที่บอกเราไม่รู้เลยว่าวินาทีต่อไปจะเป็นยังไงชีวิตเราอะคะ่ะเราคิดว่าเราคอนโทรลได้แต่จริงๆเราคอนโทรลไม่ได้ไม่ได้เอ อ, อดังนั้นต <c oughs> อนเคยผ่านการป่วยที่แบบป่วยหนักเหมือนกันค่ะแล้วพอฟื้นขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปมากสำหรับปองคือคอนเซ็ปต์ของเวลาว่าเวลามัน มันมันมีค่าเหลือเกินอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้อย่างที่คุณคุณตานบอกว่ามันควบคุมไม่ได้ดังนั้นเราใช้เวลาอย่างมีคุณภาพชแต่ทําอะไรทําใช่อก็บนคอนเซ็ปที่คนอื่นเขาไม่มาเดือดร้อนกับเราอ่ะไม่ใช่ไปทำอะไรที่แบบเอออยากทำอะไรท่าไม่เดือดร้อนกันเลยเพราะว่าเขาลำบากอะไรก็ไม่ใช่ เฮยวันนี้ได้บินพลังบวกมาจริงๆนะคะขอบคุณคุณตาลเจ้าของเพจฉันไม่ว่างแล้วทุกวันนี้ก็ยังทําเพจเพื่อให้กําลังใจค่ะไม่ต้องเป็นโลกร้ายก็ได้ค่ะเข้าไปเพจนี้เป็นคนที่ทํางานทุกวันธรรมดาก็ได้กําลังใจได้พลังบวกเหมือนกันนะคะขอบคุณคุณตาลอีกครั้งขอบคุณค่ะยินดีค่ะ